วันนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับจิตตานุปัสสนาว่าเในเรื่องจิตเนี่ยเราจะเกี่ยวข้องอย่างไราการเจริญสติการเจริญสติแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตอย่างไรเราจะต้องเข้าใจที่ถาาว่า <c oughs> แต่ว่าในในเบื้องต้นเนี่ยเฉพาะที่เป็นเบสิกเท่นั้นนะเพราะเนื่องจากว่าเรามีเวลาจํากัดเบื้องแรกเนี่ยเราเกี่ยวข้องด้วยกาย กายานุปัสนาโดยการศึกษาเรื่องการกำหนิดรู้การเคลื่อนไหวแบบท่าต่างๆการยืนยืนอย่างไรถึงจ ะ, ะมีสติการจเจริญสติแบบยืนทําอย่างไรการจเจริญสติแบบเดินทําอย่างไรการเจริญสติแบบนั่งทำอย่างไรการจเจริญสติแบบนอนทําอย่างไรเราก็พยายามออกไปซักซ้อมทําความเข้าใจเพราะว่าฐานทั้งสีเนี่ย เราจะใช้ฐานกายเวทนาเนี่ยเป็นหลักนะเมื่อเราฐานกายเวทนาเข้มแข็งเนี่ยเราไปดูฐานจิตฐานอารมณ์เนี่ยก็ไม่ยากแต่ในเมื่อฐานกายเวทนาเราไม่เข้มแข็งเราจะไปดูจิตไปดูอารมณ์เนี่ยยากนั้นตลอดเวลาจึงยืนอยู่ที่ฐานกายและเวทนานี่ตอกย้ำในสองฐานเนี่ยแต่ยังไงก็ตามกายกลเวทนาก็ต้องอาศัยจิตถ้าเราละเลยจิตเลยก็ไม่ได้ แ, แล้วก็ทำความเข้าใจดันั้นช่วงเช้าเนี่ยในหมวดว่าด้วยจิตนั้นตามหลักของทฤษฎีท่า น, นก็ว่าเป็นกุศลอโหสิเป็นอัพยากิตในส่วนกุศลก็จิตที่เป็นบวกจิตที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นบุญเป็นปรามีอะไรต่างๆแล้วก็รู้แต่ในภาคปฏิบัติทำอย่างไรในภาคปฏิบัตินั้นในการใช้สติ สมาธิปัญญาเข้าไปเฝ้าดูจิตเนี่ยนะเบื้องต้นเนี่ยท่านให้ไปเกี่ยวข้องกับมันสัก30สเปอร์เซนพอเพราะอะไรเพราะสติที่เป็นไปนในกายของเรายังไม่เข้มแข็งสติที่เป็นไปนในเวทนาของเรายังไม่เข้มแข็งพอนะเมื่อสติที่ความรู้สึกตัวยังไม่ซึมซับยังไม่ลึกเข้าไปในกายในเวทนาถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตมากเนี่ย พอจิตมันไหวมันเร็วถ้าไปเกี่ยวข้องกับจิตปั๊บมันดูดไปเลยดูดเข้าไปในความคิดเลยโดยไม่รู้ตัวงั้นตลอดเวลาเราต้องมากระตุน้นกระตุ้นกายกระตุ้นเวทนาให้ชัดๆไว้เสมอจนกระทั่งมันเกิดสัญญาใหม่ตัวสัญญาตัวนี้ก็คือมันคอยเลืลึกก่อนว่าก่อนที่จะทําอะไรและไม่ได้ทําอะไรสันนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยวทนาว่าอย่างไรเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไหวที่เราเข้าไป รู้ที่เข้าไปเห็นเวทนาเพราะร่างกายของเรานั้นบางครั้งมันก็เคลื่อนไหวโดยอาการบางครั้งก็ไม่ได้เคลื่อนไหวโดยอาการเคลื่อนไหวโดยอาการเช่นเราจ้องยืนเดินนั่งนอนแล้วก็เคลื่อนไหวอีโบท ต, ต่างๆเราคอยกําหนดรู้ไปบางครั้งเราอยู่เฉยๆนิ่งๆเนี่ยอยู่ในอาการนั่งแต่รู้ในอาการนั่งยืนเดินนั่งเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ โชอยู่ข้างในเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งเท่งตึงมีอยู่แต่ละเวลาจิตของเราก็จะเบื้องต้นเนี่ยให้จิตของเราซักซ้อมรู้ทั้งสองอย่างเนี่ยให้ชัดๆไว้เสมอแต่บางครั้งฮะส่วนใหญ่มันก็มีเรื่องเข้ามาในใจ pop up ขึ้นมาเดี๋ยวอเรื่องนั้นเข้ามาเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามาถ้าสมมุติว่าฐานกายฐานเวทนาไม่เข้มแข็งมันก็จะเข้าไปในความคิดการที่เรา หลุดเข้าไปในความคิดเนี่ยมันออกยากเพราะมันเคยชินอยู่กับความคิดมาตลอดพบตลอดชาติตลอดกับตลอดกันเนี่ยอยู่กับความคิดอารมณ์มาตลอดวันหนึ่งเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมานันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นต่อจากเรื่องนั้นจบเรื่องนั้นก็ไปคิดเรื่องนี้ต่อจากเรื่องนี้ไปคิดเรื่องนั้นโอกาสที่จะถอยมาอยู่ที่กายที่เวทนาเนี่ยยากก็อยู่เหมือนกันแต่มันอยู่แค่ห้าปอร์ซนสิเอร์เต แต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยให้เราเราต้องการให้มาอยู่ทั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตไม่อยู่กับกายเวทนาเนี่ยในเบื้องต้นนะเพื่อที่จะให้สติสมัมมยะมาตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันของกา ย, ยชัดๆก่อนเพราะอะไรเพราะกระแสการไหลเวียนของกายเวทนาเนี่ยมันช้าเห็นได้ชัดอ่า แต่ว่ากระแสของอารมณ์และความคิดมันไวมากมากเลยนะมันมันไวเหมือนกับรถวิ่งแล้วนั่งอยู่ในรถเนี่ยเรามองข้างนอกในบางทีมันวิ่งไวๆตาลายผมนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมายั้งอยู่กายตภเวทนาชัดก่อนแล้วค่อยเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องจิตทีละเรื่องถ้าเราจะทําอะไรก็ให้ให้ทําเรื่องนั้นทีละเรื่องคิดทีละเรื่องถ้ามันจะไปต้องคิดนะแล้วก็ดู ถ้าจําเป็นต้องคิดว่าออวันนี้จะไปทํางานทํางานเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะแพลนขึ้นมาว่าเอาออกจากนี้แล้วกไปตรงนี้ไปทาเรื่องนี้กับคนนี้ทาเครื่องนี้คนนี้จะพูดว่าอย่างนี้งานก็จะเป็นไปอย่างนี้จิตของเราก็จะลืมทํางานบางทีก็จําเป็นลักษณะอย่างนี้เราคิดอย่างมีสติการคิดสมีสตินี่เรียกว่าปัญญาเราจะรู้ได้ไงว่าความคิดที่มีสติหรือขาดสติ ถ้าความคิดใดที่มีสติมันกลายเป็นปัญญาความคิดนั้นมันจะชัดแล้วมันจะจบภายในเวลาที่เราต้องการแต่ถ้าความคิดนั้นขาดสติความคิดนั้นเราไม่ได้ตั้งใจคิดพอบขึ้นมามันก็ไปลือปล้อยเปื่ยพวกมันไม่มีเวลาจบแล้วก็สิ่งที่คิดไม่ชัดลอยๆเบลอๆหรือแบบฝันๆนี่เป็นความคิดที่ไม่ มีเจตนาลักษณะแบบนี้ความคิดแบบนี้ที่เราจะต้องเข้าไปจัดการกับมันก็เป็นขยะถ้เาเราไม่อนุญาตให้คิดดังนั้นเองในผู้ปฏิบัติในการเจริญจิตตานุปัสสนานี่จะต้องเรียบเรียงความคิดสมัยที่หมายความว่าให้มันเข้ามาถ้ามันจําเป็นต้องคิดต้องคิดเรื่องนั้นให้ชัดๆแล้วทีละเรื่องกําหนดว่าเออเรื่องนี้ต้องคิดภายใน ห น, นาทีหสองนาทีจบนะเพราะหนึ่งนาทีสองนาทีมันก็ต้องจบพวกมันจริงๆมันจะอนุญาตให้ทำให้คิดเรื่อยเปื่อยไปไม่ได้แล้วเอาจิตมาตั้งเอาความรู้สึกมาตั้งอยู่ในฐานของกายเวทนารู้ไปใหม่แต่การกระทบก็มีเหมือนเดิมการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนกระทบแล้วเนี่ยเราจะไปสร้างความคิดหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของสติที่เราฝึกไปในกายเวทนาเพราะว่าในอดีตนั้นที่เราไม่ได้ฝึก <c oughs> สติกายเวทนาให้เข้มแข็งนั้นอะไรมากระทบมันก็สร้างเรื่องได้ทั้งนั้นแหละตาเห็นก็เขากําลังทําอะไรหูได้ยินเออเขากำลังทําอะไรไ เ, เ, เสียงอะไรเอามาคิดแล้วจหมูมได้กลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสเป็นความคิดได้ทั้งนั้นอันนี้คือสาเหตุของความทุกข์มาจากตรงนั้นเพราะว่าเราไม่ชัดเจน นั้นความคิดก็จึงเหมือนเงาซึ่งได้กล่าวมาวันก่อนว่าเมื่อทํารูปกับนามไม่ตรงกันทําแสงกับวัตถุไม่ตรงกันก็เกิดเงาทํากายกับใจไม่ตรงกันก็เกิดความคิดทีนี้การที่จะจัดการกับความคิดจึงมาปรับที่รูป ก, กับนามปรับที่แสงกับวัตถุให้มันตรงกันสูงแสงคือพลังงานคือนามแล้วก็ในที่นี้หมายถึงสติสัมปชัญญะ แล้ววัตถุ ก, ก็หมายถึงกายคือรูปให้มันมาอายู่ด้วยกันให้มันมาตรงกันความคิดก็จะความคิดที่ไม่ต้องการก็จะไม่เกิดแต่เมื่อใดเราต้องการที่จะคิดเราก็ใช้แสงเหมือนไฟฉายส่องลงไปเลยแทนที่เราจะคำหลับตาคลหาหมืดหมึดเนี่ยไม่ต้องเปิดตาแล้วก็กดไฟฉายส่องเลยนั่นคือการใช้ปัญญาปัญญาจึงเหมือนแฟลชไลท์หรือเหมือนไฟฉาย ที่จะส่งมองหาอะไรมันจะง่ายกว่าเร็วกว่าแทนที่เราจะไปคลำหาในเงามืดๆเนี่ยนอกจากจะเจอยากแล้วก็บางทีเจอแล้วก็ไม่ใช่สิถ้าเราใช้ระบบความคิดที่ขาดสติขาดปัญญาก็คือจะรู้เรื่องอะไรก็คิดคิดเรื่องคิดจนปวดหัวมันก็ยังไม่ได้ความจริงอยู่ดีเพราะอะไรเพราะมันมันไม่ได้ใช้ตัวแสงสว่างเหมือนเราหาของในที่มืดหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ ยิ่งเจอแล้วไอ้ใช่หรือไม่ใช่อีกความคิดก็เหมือนกันดังนั้นในสมัยใหม่เนี่ยเราต้องจัดระบบความคิดจัดระบบอารมณ์ต่างๆให้เป็นที่เป็นทางเหมือนกับเดี๋ยวนี้เขาทําจําลองออกมาทําคอมพิวเตอร์ออกมาเนี่ยเ mm. ขาจัดระบบจัดไฟล์จัดอะไรต่างๆยกออฟฟิศยกที่ทํางานมาไว้ที่คอมพิวเตอร์หมดเลยทุกวันเนี่ยนี่เขา ทางโลกทางวัตถุนะเขาจําลองได้ขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันโลกภายในของเราทางจิตของเรานะ่ะมนุษย์ยังขาดเทคโนโลยีในการจัดการเรื่องจิตของตัวเองเพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีตรงนี้พระพุทธ้าค้นพบเมื่อ2อ0 0ันกว่าปีแต่ว่าคนก็ให้ความสาคัญน้อยเกินไปเพราะอะไรเพราะมันไม่สนองตอบต่อตัอตนหาแต่วัตถุมันสนองตอบต่อความอยากเพราะงั้มันก็ได้วัฒนาวัตถุได้เรื่อยๆจะสลับซับซ้อนยิ่งพัฒนาเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจิตเท่านั้นทำไมจึงเป็นจับเพราะว่าวัตถุยิ่งประณีตเท่าไหร่นะมันก็ไปถูกใจของตัรหาไปถูกใจของความอยากอย่างอาหารเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ประณีตเลยกินแบบง่า ย, ายใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ผลิตอาหารประณีตยิ่งประนีตก็ยิ่งถูกใจยิ่งถูกใจมันก็ไปตอบสนองตัรหายิ่งสตรรหามากโอกาสที่เราจะไปทวนกระแสของจิตก็ยากขึ้นเรื่อยๆ อ, อะไรที่มันไม่เป็นไปตามอยาก ไม่เป็นไปตามต้องการของเราเราก็ไม่เอาอันไหนที่เป็นไปตามความอยากความต้องการถูกใจของเราเราก็เอาสิ่งนั้นนั้นมันก็เลยไปสู่กระแสตัณหาเวลาเรามาปฏิบัติมันก็เลยยากเพราะมันไม่ถูกใจเพราะมันไม่เป็นตามใจเรามัน against ทมันมันมันมันทวนกระแสแรงเกินไปเช่นเราเคยนอนนุ่มๆ ม, มานอนที่หยาบๆเนี่ย มันไม่ละเอียดไม่ปาะนี้เราก็นอนไม่เคยหลับแล้วนะเคยกินอาหารอร่อยอร่อยอาหารประณีตเอามากินอาหารแบบเพนเพ น, เ น, เนง่ายๆไม่อร่อยชักไม่ไม่เอาแล้วเนี่ยเพราะมันไปทวนกระแสตันหามากเกินไปแต่ในการพัฒนาจิตด้วยวิปัสนาแล้วมันจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทวนกระแสคือหมายความว่าไม่ทําตามอยากอันนั้นคือวิธีการดังนั้นการที่จะจัดเรียบเรียง ในแง่ของจิตตานุปัสสนาทำอย่างไรนะก็คือคอยเฝ้าดูว่าอารมณ์และความคิดอะไรที่จะเกิดขึ้นมาในใจบ้างแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีนะก็อย่าไปสร้างมันขึ้นมาเพราะยังไงมันต้องมีอยู่เดียใช่ไหมเผลอไม่ได้เผลอพับขึ้นมาแหละเผลอแล้พับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดกับจิตเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เกิดมันจะเกิดมากจนตาม จัดการมันไม่ทันด้วยซ้ําไปเพราะฉนั้นเพื่อความปลอดภัยเนี่ยต้องมาตั้งสติตั้งจิตอยู่กับกายไว้ก่อนตั้งอยู่กับเวทนาไว้ก่อนแล้วคอยอะระเวดระวังดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมาในจิตบ้างแต่ถ้าหากจําเป็นต้องอทําตอบสนองต่อความจําเป็นเช่นว่าจะลุกไปเข้าห้องน้ําปวดหนักปวดเบาแล้วก็จะเริ่ม ตั้งสติในปัจจุบันให้ชัดชัดแล้วก็ตอบสนองต่อถ้าเป็นอาการของธรรมชาติทางกายนะแล้วก็ตอบสนองต่อมันอย่างมีสติเช่นว่าจะลุกไปดื่มน้ําเนี่ยถ้าหากตอบสนองต่อความอยากไปไงกกนึกถึงน้ําปับ๊บลุกไปเลยพรนุ่นถึงน้ําเลยแล้วก็ดื่มอักอักแลกลับมานั่งหลุดหมดเลยทีนี้นั่นเขาเรียกว่าตอบสนองต่อความคิดและความเคยชินแต่คิดว่าจะดื่มน้ําอ้าคิดว่าดื่มน้ําโอเค เสร็จลก็มาเรียบเรียงอีเดียบทจากที่จุดที่เรานั่งจนไปถึงที่น้ําเนี่ยไปอย่างไรนี่เขาเรียกว่าการใช้สติและไปอย่างไรเรียบเรียงให้การลุกการยืนการก้าวไปเลียวซ้ายเายขวาก้าวไปก้าวไหนก่อนแล้วก้าวไปรู้สึกตัวชัดไหมจนกระทั่งว่าเอาไปยื่นมือไปจับแก้วยื่นมือไปเปิดก๊อกน้ํายื่นมือไปเทขวด ให้รู้ขบวนการนี้โดยตลอดแล้วกลับมานั่งที่เดิมนี่เก็บได้หมดเลยนี่เรียกว่าการเรียบเรียงการตอบสนองลักษณะนี้ไม่เป็นความอยากไม่เป็นดัญหาเป็นขบวนการของสติปัญญาทั้งหมดเลยแล้วก็การดื่มน้ำก็สำเร็จประโยชน์ก็รักษาจิตได้ด้วยได้อยู่ในปัจจุบันก็สำเร็จประโยชน์ตรงนี้คือขอบวนการในการเรียบเรียงทำ เ, เป็นตัวอย่างสกิจกรรมหนึ่งชัดๆ แล้วก็ทำซ้ำ ส, ส, สิ่งอันนั้นน่ะบ่อยๆอามาเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งตอนนั้นปฏิบัติใหม่ๆไปจำพรรษาอยู่ที่เชียงใหม่ที่ภาลาชวัดภาลาดเชิงเข า, าพระธาตุดอยสุเทพอยู่นั้นพรรษาน่ปีสองห้าทีนี่วันหนึ่งเนี่ยเราอยู่องค์งเดียวเนาะแต่ว่าไอ้กุฏิที่อยู่มันกว้างจำเป็นจะต้องทำความสะาทุกวัน พ่อมันอยู่บนเขาเดี๋ยวฝุ่นเดี๋ยวผงเดี๋ยวมดเดี๋ยวแมงอะไรมาตอมไฟเนี่ยตกลงมาก็เลอดเทอรหมดเราก็จ้างทําความสะอาดทีนี้ทุกวันมันก็ทําความสะอาดเดี๋ยวกว่าเสร็จแล้วก็เช็ดมันกว้างก็จะเช็ดเสร็จก็เหนื่อยละเอ๊แล้วก็ทำอย่างนี้ทุกวันแสดงว่าเราไม่ได้ใช้สติกํามันเลยเนี่ยวันหนึ่งก็เลยเอาวันนี้ต้องตั้งสติให้ดีเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นแต่คิดว่าจะทําความสะอาด ทีนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดสมัยเราจะไม่ใช้คําว่าทําความสะอาดจะใช้คําว่าจเจริญสติอ่าเจริญสติคือหมายความว่าแทนที่เราจะนั่งยกมือหรือสร้างจังหวะเลยเราก็นึกขึ้นมาลําดับเลยลำดับอ่าดับเราจะลุกขึ้นมาจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาไม้กวาดอยู่ตรงไหนกําหนดรู้ก่อนเนาไม้กวาดหิ้งอยู่ น, นั่น 9, ก้าวกาหนดรู้ทีละก้าวไปหาไม้กวาด ถ้าหากว่ามันเกิดลืมปั๊บตรงไหนต้องย้อนกลับมาเดินใหม่นะมันลืมก้าวไหนต้องต้องมาซ้อมก้าวนั้นใหม่พอไปถึงปั๊บจะเอื้อมมือไหนก่อนยื่นมือไหนเอาไปเอื้อมยื่นมือขวาหรือมือซ้ายจับปั๊บจับไม่กอดมาคอยดูแล้วมันจะเผลอตอนไหนนะไปดูตอนมันจะเผลอคอยดูเรื่อยๆแล้วก็ลงมือกวาดกวาดหนักหรือเบากวาดอย่างไรตามไปตามไปตามไปเผล่อยู่ก่อนตั้งต้นใหม่ อ้าวไม่เพลอกวาดไปไปจนจบขั้นต่อไปทําไงพายคีรีวอยู่ตรงไหนกําหนดรูเอาพายคี้วอยู่ก็จากก้าวตรงนี้เดินกําหนดรูไปไปหาพายคีรีวยื่นมือหมายไปจับซ้ายหรือขวาไปจับเสร็จยกขึ้นก๊อกน้ําอยู่ไหนไปหาก๊อกน้ำเอามือไหนเปิดก๊อกซ้ายหรือขวาแล้วก็เปิดหนักหรือเปิดเบาเปิดค่อยหรือเปิดแรง แล้วก็สองมือขยี้ซักพาขิลิว้วแล้วก็บิดบิดหนักหรือบิดเบาเฮือดตรงไหนตั้งต้นใหม่แล้วกำหนดรู้มาแล้วก็นั่งลงนั่งลงแบบไหนแล้วก็เช็ดท่าไหนถึงจะรู้ไปเช็ดไปก็ดูใจไปเพราะมันจะเผลอคิดตอนไหนเพราะตามกฎตีเวลาทำความสะอาดเราคิดถึงคนนั้นคนนี้ใช่ไหม เอ้คนนั้นทำไมมันมาช่วยเรามาหลู่บ้านคนเดียวพอให้เราทํมามันก็คิดไปเรื่อยมือก็ทําไปเลยเสร็จแล้วมันก็หนักก็เหนื่อยอย่างนี้นะเพราะอะไรไทำตรงนี้แต่ไปคิดที่โ น, น่นมันไม่ไม่แมกกันละแต่พอเรามาดูตรงนี้อ้าวพอเช็ดเสร็จอตรงไหนเกลี้ยงหรือไม่เกลี้ยงมองดูเอามาใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะเสร็จกระบวนการ น, นั้นแล้วกลับมาดูอ้าวแทนที่มันจะหนักจะเหนื่อยจะปวดจะมื่อยเหมือนเค้าวก่นกอนเหมือนกับ ไม่ได้ทําเลยเบาสบายโอ้ตรงนี้เองแสดงว่ากําลังของกายของจิตเนี่ยถ้ามันมารวมกันแล้วมันมีพลังมากแต่เนื่องจากว่าเราไม่เคยสนใจเลยที่จะไอไเอาสองอย่างเนี่ยมาทํางานร่วมกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวตลอดเวลามีแต่จะทําตอบสนองความอยากเท่านั้นเองชีวิตของเรามันจึงหนักจึงเหนื่อยจึงกระหืดกระหอบจึงเป็น โรคเบื่อโลกขี้เกียจอะไรขึ้นมาเพราะว่าเราขาดตัวนี้ตัวเดียวพออาจารมาได้ตัวอย่างตรงนั้นนะ น, นะมันเริ่มเลยทีเนี้ยกิจกรรมอะไรทุกอย่างเริ่มฝึกตั้งแต่นั้นมาพอหลายวันเข้าหลายวันเข้ามันเกิดเป็นความเคยชินเกิดเป็นนิสัยทีละนิดละนิดละนิดเพราะฉ น, นั้นก่อนจะทําอะไรปับ๊บตั้งสติก่อนทำอะครับตั้งสติเราคิดว่าเราจะเลินสติไม่ได้คิดว่าทํางานนั่นน้นนะนะแล้วเอา้าทีนี้จะต้อง หน้านั้นเป็นหน้ า, อ, าออกเปสาวใหม่ใบไม้เริ่มหล่นใช่ไหมอ้าวต้องกวาดใบไม้ทุกวันโอ้กวาดๆให้มันเสร็จไปกวาดเสร็จแล้วก็เหนื่อยเงียบเงยแตกพลักๆเลยอ้าววันนี้ไม่ใช่แล้วเริ่มมีบทเรียนจากการถูพื้นอ่าต่อไปก็เริ่มมีสติเร็วขึ้นรู้เร็วขึ้นแล้วขณะที่ทําไปเนี่ยมุนซ้ายหรือขวาแล้วเวลากวาดออกน้ําหนักตรงไหนหนักแล้วมันปวดอย่างไรมันไม่ปวดอย่างไร และจังหวะหายใจสำคัญกับการเคลื่อนไหวอะไรต่างตอนแรกมันก็ต้องยอมเป็นลักษณะหุ่นยนต์นิดหน่อยพอมันชํานาญเข้าชนานาญเข้าไอ้ความเป็นหุ่นยนต์ก็หายไปเริ่อเป็นธรรมชาติแต่ว่าการรู้ตัวเนี่ยทั่วพร้อมทุกจังหวะไปพอฝึกกิจกรรมเหล่านี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อเข้าก็เลยขยันทํางานเพราะทางานแล้วรู้สึกมันได้กําลังได้สติได้งานไปด้วยอันนี้อย่างหนึ่งสำหรับผู้ใหม่เนี่ยเวลาเข้าใจเขาว่า เข้าใจรูปนามเข้าใจสติแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรสนุกงานจะเป็นเรื่องสนุกทันทีเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ทำด้วยความอยากมันทำด้วยกำลังของสติปัญญาดึงรูปกับนามไปด้วยกันอันนี้คือวิธีการลาดับที่จะไปเกี่ยวข้องกับจิตถ้าไม่ตั้งสติกันขนาดนั้นนะ่ะโอ้โหความไวของของความอยากมันไวจริงๆนะเผลอไม่ได้เผลอปป๊บเข้าเลย เพอแป๊แ บ, บเข้าเลยทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีการตั้งสติสู้กันอย่างนี้นะเอาไม่ทันดอกใช่ไหมเพราะอะไรเราไอ้สังสมความเคยชินมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติใช่ไหมทีนี้เราจะให้มันมากลับหัวกับหางกันง่ายๆเนี่ยเป็นไปได้ยากนี่คือการฝึกการภาวนาะแทนที่เราจะไปนั่งหลับหูหลับตาเข่าชานนั่นชานนี่มันไม่จําเป็นน่ะมาเข้าชานกับงานเนี่ยอ่ะ เข้าชานคือทำกายกับใจมันเป็นอันเดียวกันมันเข้าชานแบบนี้เนี่ยมันได้กําลังสติกําลังปัญญากำลังจิตได้กําลังกายร่างกายของเราก็ดีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันได้เห็นเวทนาในช่วงที่ทํางานมันดูกายดูเวทนาไปพร้อมกันดูจิตไปพร้อมกันเนี่ยมันเกิดพลังเขาเรียกมัคสมังคีนะมัคสมังคีในที่นี้นนการทํางานของกายเวทนาจิตอารมณ์ร่วมกันแล้วมีสติสัมยาเข้าเป็นผู้บงการ ไม่ใช่ให้ตัวตันหาอาวิชชาเข้ามาบ่งกันตลอดเวลาตลอดชีวิตของเราก็คือเราถูกวงการด้วยความอยากด้วยตันหาใช่ไหมแต่ณบัดนี้พอเราตั้งเป้าเข้าเข้าใจเรื่องสติแบบนี้แล้วเนี่ยเราเอาตัวสติสมรยปัญญาเข้ามาเป็นผู้ดูแลตาตรงนี้เองเขาเรียกว่าพุทธธรรมสังฆาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พราะะฉนั้นคําว่ารัตนนาในความหมายข้อนตมาเอามาใช้คำว่าสติสมาธิปัญญากันเอง คือลัตนาตใจในภาคปฏิบัติลัตนาตใจที่เราพึ่งได้นะแต่นี่ว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งนู้นไปเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้างนอกมันก็เป็นเพียงความจำใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ลืมแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราสัมผัสได้ในกายในจิตของเราทําไมเราไม่ดอกย้ําพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้พระพุทธพระธรรมพรสงฆ์ลัตนาฏใจอันนี้ต่างหากที่เราพึ่งได้ว่าถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธคือตัวรู้อ่าตัวรู้ พราะรำคือความตั้งใจพระสงคือการรวมกายรวมใจมาสังฆะกันกายเวทนาจิตต์มาสมัครีกันให้มันอยู่ด้วยกันแล้วเป็นสังฆะแล้วเห็นไหมถ้าลัตนาตรัยแบบนี้มันสัมผัสได้ตลอดเวลาพึ่งได้ตลอดเวลานะดังนั้นจุดเนี้ในภาคปฏิบัติแล้วเราจําเป็นต้องทําแบบเข้าห้องแรมกันเลยะไม่ใช่ทําแบบรู้ก็แล้วไม่รู้ก็แล้วไม่ มีการลําดับไม่มีการจัดระบบอะไรให้มันชัดเจนมันก็ก้าวหน้ายากในการปฏิบัติเห ม, มือนการเรียนหนังสือใช่ไหมถ้าเรียนสเปสป่าไปไม่มีครูไม่มีห้องเรียนไม่มีชั้นเรียนไม่มีโบเรียนมันก็ไม่รู้ว่ามันก้าวหน้าไปยังไงสอบได้หรือเปล่าเข้าใจไหมนี่ขนาดข้างนอกเรายังทําขนาดนั้นนะแต่ทําไมเราไม่ใช้แบบอย่างนัะไม่ใช้กับข้างในบ้างนะในการเรียบเรียงของการทํางานของกายการทํางานของเวทนา การนามานของจิตการทำงานของอารมณ์ต่างๆเข้ามาเรียบเรียงสิแล้วเราจะเห็นถึงความก้าวหน้าชัดเจนทุกวันในปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติกันถามว่าไปถึงไหนแล้วเข้าใจอะไรบ้างไม่รู้เอาคุณปฏิบัติมาตั้งนานคุณคุณไม่รู้แล้วคุณจะเอาอะไรออกคุณจะไปถึงไหนนี่นี่คือจุดที่เราปฏิบัติทำปฏิบัติทาได้ไม่ก้าวหน้า ปฏิบัติแล้วเป็นนั่นเป็นนี่ปฏิบัติทำยังเป็นโรคภัยไข้เจ็บปฏิบัติรมแล้วจิตยังมีกิเลสมีเศร้าหมองยังโลภยังโกรยังหลงอยู่คุณปฏิบัติมาได้ตั้งหลายปีอารมณ์เหล่าลนี้คุณยังละไม่ได้เพราะมันขาดการาจัดระบบการเรียบเรียงให้ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาอย่าลืมว่าการวิทยาศาสตร์เนี่ยคือการไปจัดการกับวัตถุใช่ไหมเป็นระบบ จนกระทั่งทุกวันเนี่ยโลกมันเจริญด้วยระบบวิทยาศาสตร์เพราะการจัดการได้ทุกขั้นตอนด้วยนักวิทยาศาสตร์แต่นักวิทยาศาสตร์ทางด้านจิตเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตท่านแทนที่จะไปเรียบเรียงถึงความละเอียดละออความประดีษทางด้านวัตถุใช่ไหมท่านมาเรียบเรียงความละเอียดทางด้านจิตแทนเพราะจิตถ้าหาว่าจัดการให้ถูกระบบแล้วเนี่ยมันไปนสู่ความสงบสู่ความสันติความดับความเย็นความสิ้นของความ อยากคําตันหาแต่วัตถุนะี้ยิ่งปานี้เท่าไหรมันเป็นยังไงก็ยิ่งเพิ่มกําลังของตันหามากขึ้นเท่านั้นก็ยิ่งเป็นไฟนั้น พ, พระพุทธเจ้าท่านรู้นี้ตั้งแต่แรกนะว่าถ้าไปตามตันหาไปตามความอยากแล้วท้ายสุดทุมคนก็คือสงครานต์ไม่มีที่จบแต่พอมาทางการสิ้นตันหาไปทางนำมาทำเอาระบบทาง เทคโนโลยีมาทั้งท้ายเพื่อการชิดดัญหาท้ายที่สุดแล้วมันจะไปสู่ความดับความเย็นเรื่องอนิพานนั้นปลายทางของแต่ละทางคือไปคนละทางคนละขั้วเล ย, เยขั้วนี้ไปแผงสังสารวัตรขัวนี้ไปทางนิพานพระพุทธเ จ, จ้าทา่านเลือกทางนี้ทีนี้เราทั้งหลายก็เลยมาศึกษาคําสอนของท่านแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านผู้ที่จะมาเรียบเรียงมาทําความเข้าใจอะไรชัดๆเนี่ยเราหา ย, ยากก็เลยเราก็ทําสเปะสปะไป ครูบาอาจารย์ทุกท่านก็สอนดีหมดอ่ะแต่ว่าเราก็บางทีก็อยู่ที่เราที่เอามาฟังไม่เป็นเอามาจัดไม่ถูกเพราะบางทีท่านก็ไม่ได้บอกรายละเอียดใดๆมากนัก น, นะมันก็ก็ว่าไปตามที่ท่านรู้ทำประสบการณ์ของท่านทีนี้บางทีไอ้ความแยบคายของลอกก็ไม่พอไอ้การชี้นาอย่างละเอียดละออของท่านก็ไม่พอเมื่อทั้งสองอย่างนี้มันขาดไอ้การที่เราจะมาทําให้ถูกต้องมันก็ยากนะแต่ถ้ า, าว่าท่านชี้แจงอย่างละเอียด เราเองก็มีศรัทธาและมีความแยบคายอย่างเพียงพอมันก็ไปได้ไหวนะเหมือนกับครูที่สอนเข้าใจง่ายนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะมันก็ก้าวหน้าก็การเรียนก็เห็นผลชัดเจนนะดังนั้นเองในการจัดบทที่จมาเอมามุ่งทำจุดนี้ไม่ได้มุ่งว่าคุณต้องเกิดศรัทธาอย่างนั้นนะเกิดความเพียรอย่างนี้นะเกิดบุญเกิด้เกิดศีลอย่าง น, น, น, างนี้อันนั้นเป็นเป็นตัวบท แต่ในรายละเอียดเราต้องพูดแบบนี้ในนี้มันมีทั้งศีลมีสมัมาธิปัญญามีทั้งหมดเลยแต่เราไม่ได้เอาว่ามาตัวบทในหลักปริยัตแต่ว่ากันภาคปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนไหวแต่ละบทแต่ละแอคชั่นเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่เยอะเลยถ้าเราสติสัมยาช่เข้าไปเกี่ยวข้องนะแต่ถ้าหากว่าเราขาดสติสัมยาเนี่ยมันหลงไปหมดเลยคือไม่เก็บรายละเอียดได้เลย พอจะพลิก่พิกไปเลยก็จะลุกก็ลุกไปเล ย, ลกกลเลยสมมติเรานั่งนานๆปวดหลังไป็นไงก็พลิกไปเลยแต่พอถ้าเราใช้สติสมนีมาเกี่ยวข้องพอนั่งรู้สึกปวดหลังไป็ไงเริ่มเห็นเลยใช่ไหมเริ่มเห็นเหตุแล้วเอามันปวดปวดแล้วขยับขยับแล้วอะไรเกิดขึ้นอ๋อมันคลายไปนิดถ้าขยับมากกว่านี้ไปไงก็คลายขึ้นมากน่อใช่ไหมถ้าขยับทั้งหมดเลยไปไงหายไปเอามันหายไปไหนเมื่อกี้เห็นไหมเห็นกระบวนการไหมเห็นกระบวนการของทุก ดังนั้นเบื้องต้นเราต้องรู้เรียนรู้ขบวนการของทุกจากรูปไปก่อนพรมันเห็นชัดก่อนที่อยจะไปเรียนรู้ขบวนการทุกที่เกิดจากนามถ้าหากขบวนการทางรูปเรางขาจัดไม่เป็นเลยยังแก้ไขไม่เป็นเลยอย่าไปพูดถึงเลยไอ้ความทุกข์ทางนามมันจะแก้ไขได้ขณะมันเกิดกับรูปยังจัดการไม่เป็นเลยนะแล้วมันเกิดทางนามมันละเอียดอ่อนมันซับซ้อนมันลึกซึ้งขนาดไหนแล้วสติปัญญาเราพอไหมถ้าไม่เริ่มฝึกจากรูปเนี่ย แล้วจะเอาปัญญาที่ไหนไปจัด ก, การกันนามใช่ไหมอันนี้คือหลักของจริงนะมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแต่ที่นี้ส่วนใหญ่คนเรามันเกิดศรัทธาเมื่อศรัทธาเราเราไม่คํานึงถึงเรื่องของความจริงเท่าไหร่นะนั่นนี้คือชาวพุทธทางเอเชียของเราที่รักษาพุทธศาสนาไว้ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเพราะเอาศรัทธาศรัทธามันเลยท่วมเมื่อศรัทธาท่วมก็ทําอะไรแบบสุดโต่ง ทำบางทีเจริญสมาธิกับสมาธิเกินเจริญสติก็สติเกินเจริญความเพียรกับความเพียรเกินไม่สมดุลกันเมื่อคืนมีโยมนกมาถามว่าเองพอถ้าเจริญสติสติมันเกินจะทําทไงมันก็มันก็เกินมันก็ทําให้ไปตัวอื่นมันก็ไม่สมดุลดิจะทําไงให้มันพอดีก็เอาขวดมาตั้งตั้งตั้ ง, ต, ง, ต, งตั้งเหลียงสักหขวดสมมตินะขวดมาเรียงตั้งห้าขวดแล้วก็ เราเจาะขวดนี่ทะลุแล้วก็ปิดดีๆนะเอาท่อมานึกขาวบอกไหมเอาท่อมาเจาะทะลุถึงห้าขวดนี่นะถ้าเราเติมน้ําขวดใดขวดหนึ่งนี่อีซี่ห้าขวดอ่ะจําเป็นต้องเติมไหมไม่ไม่เพราะเติมขวดเดียวมันก็ไหลฮากันบวดถ้าขวดนี้สูงขึ้นเท่าไหร่อีกี่ขวดมันก็สูงเท่านั้นเหมือนกันนี่คือเรื่อหลักของความสมดุลงั้นถ้าเราจะเลยศรัทธาอย่างถูกต้องมันจะต้องคํานึงถึงอีี่ตัวนี้ด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา หรือเรามาเติมที่ปัญญาฝึกปัญญาอย่างเดียวก็คํานึงถึงไอ้ตัวนี้ด้วยอย่าเติมขวดไหนก็ได้ในหขวดเนี่ยแล้วมันจะไม่เกินแต่ถ้าหากว่าเป็นขวดใครขวดมันไม่ต่อเชื่อมถึงกันนะหมายความว่าเรามุ่งทําสมาธิก็ทาแต่สมาธิไม่คํานึงถึงว่าไอ้ปัญญามันเป็นยังไงสติมันเป็นยังไงความเพียรเป็นยังไงศรัทธาเป็นยังไงเนี่ยก็เหมือนเติมขวดใดขวดหนึ่งยิ่งเติมพอมันเต็มก็ล้นแต่อีสื่ขวดนั้ยังเปล่าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าไม่สมดุล ดังนั้นเองเราในห้าตัวเนี่ยท่านบอกว่าเป็นหลักของอิียีถ้าทำให้มันสมดุลกันแล้วท่างเรีวเป็นพระพระ5ใช่ไหมอีซีห้าพะห้าพออีซีพละมันสมดุลกันมันเกิดอะไรเกิดพโพชงจิตเพราะนั้นทำในฝ่ายตรัสรู้เนี่ยที่ว่าสติปัฏฐานสีสมปัฏฐานสอินีีห้าพะห้า โคดชงเจ็ดอะอิมักเมืองแปดรวมแล้วเป็นสาิบเจ็ที่ว่าเป็นไอใบไม้แต่กำมือนะต้องทาให้มันสมดุลถ้าไม่สมดุลแล้วมันไม่ลิงหากันทั้งหมดแล้วเราจะบอกว่าผิดไม่ได้เพราะเราขาดความแยบคายนะเะนั้นหลักสมดุลคือหลักมัชชิมาปฏิปทาใช่ไหมท่านพูดถึงก็คือลักษณะอย่างเนี้ยคือทําแต่ละตัวได้ให้มันสมดุลกันทํำยังไงอย่างสมมุติว่าเอาละง่ายๆสมมตินั่งยมนั่งมานานเนี่ยนั่งท่าไหนท่าไหนก็ได้ แต่เหตุมันเกิดเหตุคืออะไรพอไม่สบายใช่ไหมเพราะทีนี้เราจะเอาหลักสมดุลไปใช้อย่างไงเราก็มาดูสิอะไรไม่สบายรูปไม่สบายแล้วนามไปอย่างไงนามถ้าหากว่าเราไม่ชัดในเรื่องของสติสมาธิปัญญาเราก็แยกไม่ออกใช่ไหมเราก็ไปสำคัญว่ากายเราไม่สบายขาเราไม่สบายหลังเราไม่สบายแต่ความจริงคือรูปมันไม่รูปมันอะไรมันเปลี่ยนแปลง ใช่ไหมเพระรู้ว่ากายนี่คือรูปหลักของรูปคืออะไรเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เสื่อมทรมแล้วก็แตกดับไปแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่อีกเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ดับไปก็เริ่มมาอีกเนี่ยมันเป็นคลื่นทีนี้เราก็มาอ๋อใช่รูปกําลังเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนําไปสู่อะไรความปวดเมื่อยอ่ะทีนี้พอเอาสติเข้ามาใช้เรารู้สึกว่าเป้ามันก็คือทุกข์ใช่ไหมเอาสติเข้ามาใช้ เริ่มสิเดี๋ยวเราจะทำไงให้ทุกตัวนี้ไอไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้ามีกี้ที่เรานั่ง ม, มันปวดแสดงว่ามันเปลี่ยนแปลงเองใช่ไหมถ้ามันเปลี่ยนแปลงเองโดยธรรมชาติมันจะนั่งไปสู่อนนี้จังทุกขังหน้าตาแต่ถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาเข้าไปจัดการเปลี่ยนแปลงตัวที่เข้าไปจัดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อนนีจังทุกขังมันตายแล้มันกลายเป็นอะไรสติสมาธิปัญญาเห็นไหมพอสติปัญญาเขายกเขาเปี่ยวข้องปับ๊บเราริ่ม นิสติพราสติสํารวจรู้ว่ามันไม่สบายใช่ไหมเราตั้งใจที่เข้าไปแก้ปัญญาสมาธิทํางานร่วมกันหรื อ, อยังการเข้าไปแก้ไขเป็นการทํางานของสมาธิและปัญญาใช่ไหมแต่สติจะเป็นตัวชี้เป้าว่าตัวนี้เกิดปัญหาตรงนี้แล้วนะพอสติชี้เป้าก็สมาธิคือตั้งใจแล้วปัญญาเข้าไปแก้พอแก้แล้วความหนักหน่วงความไม่สบายไม่ขี้เป็นไงอยู่ไหมหายไปอันนี้อํานาจของอะไร สติสมาธิปัญญาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราพลิกโดยที่ไม่เรียบเรียงให้ชัดเจนเนี่ยพลิกไปเลยรู้สึกเมือไหรกพลิกไปเลยสติสมาธิปัญญาเกิดไหมไม่เกิดแต่อะไรเกิดอวิชชาตันหาอุปาทานเกิดแทนแลวต่อไปก็เป็นทุกข์นี่คือสาเหตุของมันอันนี้อยู่แค่นี้ก่อนนะภาษาไทยนะ